ยังอยู่และควรทำอะไรดีหัวข้อรู้จิตตอนรู้สภาพจิตพุทธพจน์ 1. เมื่อจิตมีราคะก็รู้ว่าจิตมีราคะเมื่อจิตปราศจากราคะก็รู้ว่าจิตปราศจากราคะ 2. เมื่อจิตมีโทสะก็รู้ว่าจิตมีโทสะ เม mm hmm. ื่อจิตปราศจากโทสะก็รู้ว่าจิตปราศจากโทสะ 3. เมื่อจิตมีโมหะก็รู้ว่าจิตมีโมหะเมื่อจิตปราศจากโมหะก็รู้ว่าจิตปราศจากโมหะสจิตหดหูก็รู้ว่าจิตหดหูเมื่อจิตฝุ้งส่านก็รู้ว่าจิตฝุ้งส่านหเมื่อจิตเป็นมหักะตก็รู้ว่าจิตเป็นมหักะต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 ก็รู้ว่าจิตหลุดพ้นเมื่อจิตไม่หลุดพ้นก็รู้ว่าจิตไม่หลุดพ้นข้อความจากมหาสติปฐานสูตรจิตตานุปัสสนาลงมือปฏิบัติกายเป็นสิ่งที่รู้ตัวเองไม่ได้ต้องมีจิตทำหน้าที่รู้กายจึงปรากฏว่ามีอยู่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 รู้ว่าจิตมีหรือไม่มีราคะราคาคือความกำหนัดความยินดีในกามความติดใจหรือความย้อมใจติดอยู่ในวัตถุ ก, กามธรรมดาของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายจะไม่รู้สึกตัวเลยว่าจิตมีราคะเมื่อเกิดราคะย่อมถูกดึงดูดให้ติดไว้กับวัตถุ ก, กามโดยไม่สนใจอะไรทั้งสิ้น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 แบบรู้กว้างขวางก็มีแบบรู้สึกว่าจิตมีสิ่งห่อหุ้มก็มีแบบรู้สึกว่าจิตไม่มีสิ่งห่อหุ้มก็มีนอกจากนั้นเราจะพบด้วยว่าความรู้สึกทางกายแตกต่างไปเรื่อยๆตามคุณภาพของจิตถ้าจิตอย่างเล็กแข็งกระด้างไม่ตั้งมัน่นกายก็ปรากฏเป็นของใหญ่มีความหยาบรู้ได้ยาก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 จิตผ่องใสเป็นอย่างไรจิตเป็นอิสระจากอุปาทานห ย, ยาบๆเป็นอย่างไรจิตเป็นอิสระจากอุปาทานละเอียดละเอียดเป็นอย่างไรทั้งนี้มิใช่เพื่อให้ยึดมั่นว่าจิตดีๆว่าหน้ามีหน้าเอาแต่เพื่อให้เห็นความเสื่อมความเจริญและตระหนักว่าเรายังมีกิจต้องทำยิ่งยิ่งขึ้นไปหรือไม่ตลอดจนละความประมาทว่าได้ดีแล้ว